น้องเขียนชื่อนำสกุลปิยชนที่เป็นพ่อแม่ของเราเป็นลูกของเราเป็นญาติของเราตายไปแล้วเราอยากอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้ใครวันนี้เขาก็แจกกระดาษไปเยอะให้เพี่น้องเขียนแล้วพรุ่งนี้ก่อนจะตรวจน้ําก่อนที่พระท่านจะฉันทําให้พรโยมจะตรวจน้ําเขาจะเผากระดาษชื่อเหล่านั้นใส่กระมังเวลาตรวจน้ํา เราก็จะตรวจลงในกระมังนั้นอันนี้แม้จะเป็นรูปแบบแต่มันมีผลบางอย่างต่อพลังจิตพลังศรัทธาอันนี้พูดรูปแบบให้ทราบอย่างกว้างๆไว้ก่อนเพราะบางท่านไม่ได้อยู่ร่วมพิธีในวันพรุ่งนี้ฟังเทศจบแล้วก็จะกลับนอกจากนั้น พระที่มาท่านก็มีความเมตตาท่านก็มีสติปัญญาที่จะเป็นประโยชน์กับงานอัตมาบอกว่าไม่ควรได้รับประโยชน์จากการฟังเทศจากหลวงตา้อยเท่านั้นฉะนั้นพระคุณเจ้ารูปใดท่านจะแสดงความคิดเราก็สลับมาพูดมาให้พวกกำลังใจโยมพอฟังพระพูดนานๆเข้าเราก็มีการพักพักเสร็จเข้ามาเราสวดพุทธคุณให้โยมได้สวดได้แก่ง่วงได สวดสิ่งที่เป็นมงคลบางทีก็พักพักเสร็จแล้วก็อาจจะเป็นช่วงสนทนาธรรมท่านถามเราตอบเหล่านี้เป็นต้นกิจกรรมวันนี้มีเยอะแยะเรียกว่าหลากหลายแต่ขอให้เป็นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่ตัวเราต่อสังคมต่อประเทศชาติต่อาศาสนาก็แล้วกันอาตมาใช้เดียวมาใช้เวลาเยอะเวลาที่เหลือก็เพื่อกิจกรรมอื่นๆบ้าง แต่ต้องขอววาอย่าพึ่งเอารายการต่อไปต่อเนื่องจากอาตมาเทศก็แล้วกันสงสารผู้ฟังนั่งมาราธอนมานานแล้วอยากจะให้พักขั้นสักสิบห้านาทีหลังจากอาตมาเทศจบเพื่อท่านจะไปเดินยืดเส้นยืดสายคลายเส้นคลายสายไปเข้าห้องน้ำห้องท่าเข้ามาแล้วต่อไปท่านมหาเติมท่านอาจารย์ประสิทธิ์ท่านอาจารย์สมนจะพาทำอะไรก็ให้ดาเนินการต่อไป สุดท้ายนี้อาตมาขอตั้งจิตตั้งใจอํานวยพรแก่ท่านทั้งหลายที่มาร่วมงานท่านอุตส่าห์ให้เกียรติให้กําลังใจให้ความอบอุ่นแก่เจ้าภาพเจ้าภาพก็คงปลื้มใจมากและในความรู้สึกจากใจของอาตมาก็าอยากเอามาพูดว่าอยากจะพูดจากใจที่มีต่อท่านผู้ฟัง ต่อเจ้าภาพจัดงานคราวนี้อาตมาขออาราธนาขออัญเชิญสิ่งที่มีอนุภาพศักดิ์สิทธิ์โดยเฉพาะพุทธานุภาพธรมมานุภาพสังขานุภาพหรือพุทธคุณธรรมคุณสังคคุณที่ประเสริฐสุดได้รวมเป็นพลังหนุนความคิดของพี่น้องทั้งหลายให้เป็นกุศลลจิตเป็นความคิดที่งดงาม เพื่อเป็นเหตุนำพาชีวิตให้ทมให้พูดในสิ่งที่ดีงามให้ได้บารมีติดวิญญาณได้โดยง่ายมีบุญมีกุศลเยอะแยะเป็นเหตุนำพาให้ชีวิตเจริญรุ่งเรืองทั้งในชาตินี้และชาติต่อๆไปด้วยกันทุกท่านเทนเอนพี่น้องผู้ปฏิบัติธรรมที่เคารพเออ เขามาวัดมาหอดตอนตันพระอาจารย์อาจารย์พระมหาบังก่อนพันเทศอยู่ก็เลยบอบอกเขามายังหอบหน้าหอบหลังบังเอิญไปเห็นล่งกลั้วขัวล่งท่านมือ น, นี้จากซองเม็กนับจากนีไปเกือบสองรอยกิโลเกือบสองร้อยกิโลพันอุตส่ามา ก็เลยไปกินเข่ายู่หันสัก่อนกินก๋วยเตี๋ยวไปกินก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ บ, บังเอิญคางคางก๋วยเตี๋ยวนี่เพิ่นมีกาแฟาแล้วก็มียาสมุนไพรอีกออนั่นนั่นคือสิ่งที่มาร่วมในงานเฮ้าเ อ, อเจ้าของเพิน่นเพิ่นโบเด็เขามานั่งฟังเทปอยู่นี่แต่เพิ่นก็ฟังอยู่ของเพิน่นในขณนะดเดียวกันเพิ่นกระทำนาทีของเพิน่นเป็นทีดีวอกดีใจมาก พอแม่ปีนองไปกินยายาต้มเพินไปกินกาแฟาไปกินก๋วยเตี๋ยวจะบางคนสมาราท่านศีนแล้วก็คกงจีบหันจินตอนนี้เออครับนั่นคือส่วนหนึ่งที่โตพระเมงเขามาแหละไปเจอโอกาสไปกินยูหันสกักกอนก็ขอขอบบุญขอบคุณในบุญกุศลของเพลินที่เพินตามหาบุญจริงๆครับตามหาบุญและก็มาทาบุญ อนอกจากนั้นก็มีร่งคัวอื่นๆอยู่เลี้ยวเบิ่งแต่ผลเลิกไปก่อนแล้วจะของมาเด็กไปรับพี่น้องครับตอนนี้เป็นช่วงกำลังผักอิริยาบถผักอิริยาบถไปยางออกกำลังข า, าบางที่นางนั่นขาจังก็บยางเหยียดขาวัาางซีหามือขึ้นหลังก็ผมมีโอกาสได้ไปกราบท่านจะคุณพระมงกลจิตติธาดาหรือหลวงพ่อจะคุณอมอน เออเป็นเคยไปอยู่น้ําลงกูซาก่อนพันธิตไปอยู่น้ําลงกูซาเนี่ยพันเป็น เ, น เ, เจ้าสํานักเลี้ยนผลิตมหาปเลี่ยนเป็นจํานวนหลายแต่เดี๋ยนี่พันเป็นอยู่วัดปา่าวัดป่าวิเวกหลายคนเคยได้ไปวัดป่าวิเวกธรรมชาติอยู่อำเภอมออ่วงสามสิบเออพนเว้าโซฟังเรื่องหนึ่งนะครับเ ร, เรื่องเรื่องเกี่ยวกับพวกเข้าเดี๋ยนี่ล่ะคือเรื่องเปลียนอิริยาบถ ปัญต์เอามาเป็นข้อคิดปัญต์ว่าเออหลวงปู่ซาปัญต์สอนวะท่นสมัยปัญต์มีชีวิตอยู่นั้นปัญต์สอนว่ามหามหาวะท่านมหาว่าเดินจงกรมนี่เพื่อประโยชน์ยังปัญต์ว่ามหาว่าบินทบาตเป็นเดินจงกรมบ่ปัญต์ว่านั่นคือหลวงปู่ซาปัญต์ถามถามท่านจะคุณอะม่อนปันเดินจงกรมนี่เป็น เพื่อประโยชน์ยั้งมาสั่นและก็ บ, บินทบาทนี่ถือว่าเป็นเดินจงกมรมใดวอลวัสนนี่คือคําถามเป็นคําถามทีนาคิดพี่น้องทั้งหลายครับตอนนี้พวกข้าทั้งหลายผมบอกท่าะเฉลยเดี๋วครับเอาไหว้จังสีสักก่อนพวกข้าทั้งหลายกําลังเดินเดี๋ยวนี้เดินเหยียดแข้งเหยียดขาแต่บางคนเหยียดแข้งเหยียดขาก็มีสติ มีสติแต่บางคนก็นอา จ, จมีมีแต่บ่มีหลายก็ได้ในการเหยียดแขงเหยียดข า, เ, าเพราะฉะนั้นคันเท้าเหยียดแขงเหยียดขาหรือยางไปยางมาโดยมีสติท่นก็ บ, บอกว่านั่นก็เป็นอีส่วนหนึ่งเป็นส่วนหนึ่งใสอิริยาบถเป็นแบบเดินจงกรมคือกันคือมีสติคุ้มเจ้าของอยู่ตลอด เ, อเพราะฉะนั้นเมื่อนี่ครับเมือนอีพวกเขาทั้งหลาย มาฟังเทศมาปฏิบัติธรรมหลายคนอาจสิบอนอนก็ะไดเมื่อนี้ซึ่งเมืออม่อไปวัดดอนธาตุเมื่อไปวัดดอนธาตุหนึ่งไปปฏิบัติธรรมอโตพร้มเองนั่นอดบอดได้ขับนอนจะได้ทราบข่าวจากอาจารย์มาหาเติมอาจารย์พระมหามังกรว น, นว่าเดึกๆไปเจาะปังโยมหลายคนบ่นอนอยู่หน้าเจดีหลวงปู่ หลวงปู่เสากันตาซีโลหลายคนบ่อนอนนั่งสมาธินั่งสมาธินั่งพอสมควรแล้วก็ไปย่างไปยางแล้วก็มานั่งสมาธิต่อจนถึงเวลาทําวัดอาจารย์พระมหาเติมพร้อมโดยคณะสงฆ์ท่านพระคู่ซีวบนหลายหลายรูปนะครับพาไปทําวัดเสวก อ, อีกข้าเจ้าก็ทํำวัดต่อเลยเพราะว่าเขาเจ้าบ่นอนนั่นเอื่นปฏิบัติถ้ำแบบ เอ่ยมหาวิริยะใส่ความเพี้ยนเป็นยิ่งใหญ่ครับนั่นก็มีเพราะฉะนั้นมื่อนี่กะสิบวัถึงขนาดนั่นดอกแต่ผู้ใดสิสามารถเทสได้กะกะ บ, บ, บ, บอวากะคำว่าบัถึงขนาดนั่นหมายความว่ า, าในการจัดกิจกรรมนี่อาจสิไปประมาณสักหกถุมกว่าหกถุมกวัวก็าอาจสิเลิกล่าผ้าจากกันต่างคนต่างาต่าง หน้าต่างตารับนอนกันหรือสีสอดแจ้งกันยังบวจักอยู่แต่จะคุยๆ ย, ยกันไหวที่เล่นที่จริงไหวบ้าบนหน้าสิเด๊กบันไดพระวญญาณพียหลายมือ่ออื่นเพวญหลายคนมาจากข้างไก่มาจากข้างไก่อาจารย์ผู้หินดังเนี่ยบวแ ม, มนไก่รับ่าอาจารย์พระมหาเสริมถามวังหันว่ามีภูม่านําอยู่หลายคนบวแ ม, มนไก่ไผ่เคยไปละสีหู้กับไปละเพี่เมารถ พี่น้องครับผู้พักอิริยาบถกับพักไปผมมาที่หลังผมบอกโ้ขอมูนบางสิ่งบางอย่างครับโดยเฉพาะยังยิ่งคู่บาอาจารย์จีมาจากทั้งไก่จากมุกดาหารเจ้าคณะจังหวัดมุกดาหารท่านพระคู่สุธีสังวรคุณพระคู่ปัญยาสัตยิษ์เจ้าคณะเพอเพันกัมมาต่อีกส่วนหนึ่งครับจีมาไก่ที่สุดเหมือนี่ไก่กวบุญละ เมืองอุดอรครับจังหวัดอุดอรและจังหวัดน้องบัวลําพูตึงจริงๆก็คือจังหวัดเดียวกัน แ, แต่ก่อนจากจังหวัดอุดอรกับมิตรอาจารย์พระมหาเสริมอาจารย์พระมหาเสริมเป็นไปสั่งวัดผู้หินดังแล้วก็อาจารย์พระมหามาังกรเป็นก็ไปอยู่น้าไปสมทบกันไปอยู่น้ากันอยู่ในปา่าผลหางจากบันผืนนี่บ่ใกล้ครับประมาณสักหกกิโล8ดกิโล ก็ได้หนีก็ บ, บ้านก็บยับยับเข้าไปแน่ละค ง, งสิไก่เขากวานั้นแน่นิดนึงแต่ก็ยังถือว่าไก่บ้านอยู่เนื้อทีประมันพันลายครับพันไรยอยู่ในโขดหินพี่น้องบรรเจ้หาห้เคยไปพี่น้องหลายคนที่มาร่วมมือนี่อาจสิโบค่อยไปพี่น้องบรรเจ้าหายคยไปเมาส์รถไปขั้นสองขั้นครับนั่นเป็นส่วนหนึ่งที่ปัญ่าเหมือนี่มากกับบมาใจเพลน ญ, ญาตโยมมานําและนอกเนื้อจากนั่นครับ นอกเหนือจากพี่น้องเมืองอุดอรที่นั่มคูบาอาจารย์มาแล้วจากน้องบัวลําพูจากน้องบัวลําพูาอําเภอสุวรรณคูหาอาจารย์พระมหาวีบุญอาจารย์พระมหาห์ไพาบุญกับอาจารย์พระมหาห์ไพาบุญธรรมบิปุโรอาจริงจริงนั่นคณะของพนนคื อ, อยูวัดสุ ป, ปัตนากันแต่ก่อนนี่ยูวัดสุ ป, ปัตท่านอาจารย์พระมาหาเสริมพนก็ยูวัดสุ ป, ปัต อาจารย์พระมหามังกรก็อยู่วัดสุปัติอาจารย์มหาเติมก็อยู่วัดสุปัตหลวงพ่อประคูปพินิจอยู่วัดสุปัตติโตผมเองก็อยู่วัดสุปัตติแตผมยังใหญ่ไปอยู่วัดสีทองอาจารย์มหาประสิทธิ์เวเ็ดเสร็จคือเคยอยู่วัดสุปัตติไพ่ต่องค์พระเจ้าใหญ่พระสัพพัญญูแต่สัพพัญญูเจ้า อ, อาจารย์พระมหาาจรยไพบุญนี่ครับพนน้าหยาดน้าโยมมาเมนี ออโยมมาบาหน่อยและในลักษณะการมาเนี่คือคือกันกับท่านอาจารย์พระมหาหังก่อนอาจารย์พระมหาเสริมนำญาติโยมมาส่วนหนึ่งก็คือได้ญาติได้โยมได้จิตได้ใจญาติโยมมานำอีกส่วนที่สองกับญาติโยมบันนันเพิ่งเคยปฏิบัติคูบาอาจารย์มาสิไปหันมาหนี่ขันมีการปฏิบัติร้ำในสิ่งที่เตรียมพร้อมของคณะญาติโยมทจิติตตามมาหนัน ก็มิสิ่งมีของติดมานั่มมีเครื่องครัวเครื่องอย่างมานั่มเพราะฉะนั้นจากผู้หินดังก็ตามจากอาเภอสุวรรณคูหาที่อาจารย์พระมหาไพ่บุญนั่มมาหยาดโยมนั่มมาเหมือนี่คือกันสิ่งที่ปันติดตามมานั่มก็คือเอเครื่องครัวกับเครื่องครัวสิ่งของที่เขาลงครัวเพื่อถวายส่วนหนึ่งกระถวายพระคุณเจ้าอีกส่วนหนึ่งกระเลียงแขกเลียงคน นี่ละคือการท่าบุญของพวกคณะของเพลินพี่น้องทั้งหลายครับเขาอาศัยใดแรกเปลี่ยนวัฒนธรรมกันในลักษณะจังสี่พี่น้องบรนเตาไหพี่น้องบันเตาไหาพี่นอ้นาานองจังหวัดยโสธรเท่ากับ อ, อ, อยู่ในสภาพจังสีล่ล่ะลังเทอกันเท่าบัไปหาหม่องนั่นหม่องนี่เท่ากับที่เาเห็นรูปแบบต่างๆ แต่กันขึ้นไปทางเหนือแล้วส่วนมากสี่เห็นในลักษณะจังสี่กันมีงานเกิดขึ้นญาติโยมพันไปทางได้พันเตรียมพร้อมพันเตรียมพร้อมไปสมทบพวกเฮ้าข้าวไปสมทบคืออย่างพ่อเป็นไปได้ลังเทืาพันก็มาตั้งโลงครัวไปตั้งโลงครัวถวายพระคุณเจ้านั่นลักษณะของเพลินประเทศจังสันเมื่อนี่ก็คือกันครับที่เพันนํามาเนี่ยพันได้เครื่องครัวมาจํานวนหลาย นั่นก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องทังบ้านเฮาได้อนุโมทนาสาธุการว่าอย่างน้อยที่สุดความเป็นพีเป็นน่องมันผูกมัดกันยังซี่ละผูกมัดจากจิตใจแล้วยังบ่พ่อก็เอาวัตถุมาเป็นเครื่องมัดจิตมัดใจกันในทางศาสนาประเด็นว่าสังคหรวัตถุสังขารวัตถุนี่เป็นเสือกเป็นยางเหนียวมัดกันผูกความเป็นพีเป็นน่องกัน เพราะฉะนั้นท่างเหนือพันคูบ า, าอาจารย์พันไปปู่ท่างไวญาติโยมพันยังสามัคคีในลักษณะการทาบุญโดยเฉพาะอย่างยิ่งบ้านที่ท่านอาจารย์ประมาหามัางกร อ, อาจารย์ประมหาเสริมอยู่นะครับบ้านกลางใหญ่อํเาเภอบ้านผือนี่เป็นดินแดนของคูบ า, าอาจารย์หลวงปู่เทศพันเกิดอยู่ทินนัน ในขณะเดียวกันพันไปยูไซกับตามพัน ก, กับกับมาบัานเกิดเมืองนอนและก็เฮ็ดให้พี่ให้ น, อน้องมีจิดใจสูงขึ้นออในครอบครัวมีหาคน6กคนขันมีบุญอยู่สามวัดมีบุญอยู่สามวัดแบ่งกันไปวัดละสองคนบัดแอดแสตอยู่ครอบครัวบ่ดลองคืดเรื่องครอบครัวว่าคนสี่หลักโจนสี่ขโมยโบ ว, วว่าเขาวัดเขาวัด ไปซอยการสซอยงานนั่นคื อ, อ, อวัฒนธรรมทั้งนั้นวัฒนธรรมในการทํำบุญเพิ่นแข็งแรงจะถึงยังไรก็ตามครับพวกเข้าทั้งหลายก็แข็งแรงอยู่ก็กลิ่นแต่หลายรูปแบบบวาสามารถติเหตุดใดแบบเพิน่น เ, เพราะฉะนั้นในการมาพบมาปะขันเมรีเขาอาจฉิิยะขอคิดจากอญาติพี่น้องขี่มาจากทั้งไก่เพิ่นอาจฉริบ่าเรื่องนั้นเรื่องนีสู่กันปั้งครับในช่วงต่อจะหนีไป หลังจากพระคุณเจา้าพันจีเว้าพันจิตเทพให้พวกเข้าฟังหรือพันจีบรรยายนให้เข้าฟังจากนั้นพวกเขาก็ส า, าสามารถสีเว่าสู้กันฟั่งได้ไผ่ไม่แนวได้ดีๆเว่าสู้กันฟั่งได้การสีเว่าสูกไไาส้กันฟังนฟ่งนี่หลังเทือเป็นประโยชน์ลังเทือเป็นประโยชน์หลังจากนั้นกระตามที่อาจารย์พระมหามัางกรพันวาเนรวาเข้าสิมีการ สวดพุทธคุณธรรมคุณสังคคุณเป็นการล้ำลึกถึงพระพุทธเจา้าแต่กับบ่เถงกับสวดแบบพุทธาภิเศกลอยแปดเทือ่อลอยแปดจบบ่ถึงขนาดนั้นแต่ก็มีการสวดเป็นการล้ำลึกถึงพระพุทธเจา้าพระธรรมประสงค์ เ, เป็นการสวดในส่วนหนึ่งอาจจะเป็นการแจกงวงนําในส่วนหนึ่งอาจจะ การสวดเนี่ยสามารถเทศให้คนคิดใจเป็นสมาธิได้คือกันตามอา น, นิสงส์ของการสวดมนต์ครับนั่นเป็นอีกส่วนหนึ่งเป็นการสลับกันไปครับพี่น้องครับตอนนี้กักันพักพอสมควรแน่แล้วก็เขาซาลาสวรรค์ครับเ อ, อ่อบังเอิญซาลาหลังใยนี่เกิดจากน้าพักน้ำแห้งของปวกพ่อแม่พี่น้อง โดยลักนั่นก็คือบัณเตาหายเป็นลักหายจากนั้นพี่น้องทางอื่นก็หามาสมทบเป็นกิง่งเป็นกา้านเป็นเสาเป็นลังค่าจนสำเร็จพอสำเร็จแล้วก็ใส่ประโยชน์ให้คุ้มบังเป็นสิ่งที่นาดีใจโตผมเองปีที่แล้วผมมีโอกาสได้ติดตามท่านพระคู่พินิจมาผสงนามผู้เ่าผสงนามผู้เท า, เ า, ผ, เทาผู้แกนังเต็มซาล่านี่สอนกันพร้อมคือ ออกำหนดนกำหนดอายุครับหกสิบปีขึ้นไปเจ็ดสิบปีขึ้นไปให้มานั่งเลี่ยงเบงพูเทามาใส่ซาลาพันที่เป็นผ้ากันเหตุเป็นสางไวนี่ล่ะมานั่งให้ลูกให้หลานได้ฮดได้กราบได้ไหวเออมันเป็นภาพที่งามงามพอดีวันสองวันนี่ผมไปหาหลวงพ่อประคูณพันทายให้เบงแต่กวนกับบได้เบงครับบได้เบิงที่เป็นทายไวบานนี้พันทายไวก็ปรากฏว่า ผู้ที่ไปสวรรค์แล้วก็มีจังแม่ผมจังสิล่ะไปสวรรค์ไปแล้วไปสวรรค์ไปแล้วพันตายไปแล้วแต่ก็ยังเห็นหัวเป่นอยู่นั่งตอดปอดอยู่นั่นล่ะเป็นเป็นสิ่งที่ใส่ซาลาหลังนี้ให้เป็นประโยชน์หลังจากสางเซ็ตแล้วนี่พี่น้องก็ได้มานั่งให้ลูกให้หลานได้กลับมานั่งฟังเทศฟังธรรมนี่ถือว่าประโยชน์ของซาลาครับ ครับบัตรนี้ก็ให้ไม่ใส่ประโยชน์ครับบัตรนี้กลับเข้ามาสา บ, บั น, นอยู่ทั้งนอกค่อนข้างสีหนาวอยู่ทั้งนอกหนาวหนาเข้าขมาทั้งในสา บ, บั น, นมาแล้วก็เพามียัง้งกับสีบอกซูกันฟังไปทราบข่าวว่าตอนเจริญพุทธมณฑลจบลงเปนไญากราบนิมนตอ์อท่านอาจารย์พระมหาเสริมอาจารย์พระมหาเสริมเปัญญาย่อยข้อคิดอาจารย์พระคู่ สังเวียนพระคู่สุทธิสังวรคุณท่านพระคู่บุญญาสัติตย์ยเป็นประชาสัมพันธ์ครับนิมนต์สักสองรูปให้กล่าวแสดงความรู้สึกหรือสัมมนิยัอ่าสักเล็กน้อยรูปแรกก็คือพระอาจารย์มหาเสริมเจ้า ว, วาดวัดภูหินดัง <c oughs> รูปนี้ <c oughs> <c oughs> พันมาเอาไว้มาอื่นเศร้าจีไว้เด้อพอออกไม่ออกเอ้ยรวยเพได้ได้มาอื่นนี่พันมาเพลินเมย์เมื่อนี่ว่าสันโออ่อเอาโบเป็นยังแต่ว่ามาอื่นต่างว่าเงาวๆาแน่ขันติดไว้มาอื่นแต่องที่สองขันกษิรนิมม่อเจ้าคณะจังหวัดมุกดาหารได้ยินว่าพันสิกับขึ้นนี่คือกันฉะนั้นไม่ยังสิบว่ากับหยาิกับโยมกะบกบใส่เสียงนีหลยเด้อครับนิมม่อนตันระกุ้ สุติสังวรละคุณเอาเพื่อประหยัดเวลาต่อไปขอนิมมอนท่านพระอาจารย์มหาเสริมได้วาวอิยังกับหญาดกับโยมอ่าเล็กๆน้อยๆขอนิมมอนครับเบาๆธรรมดาบ่ๆเบาไทยนะครับเลองพอองหล่อขึ้อบนิมมอนเถอะนะมันจะยู่ยยู่มันจะไม่ตอบกโอ้จักเสีว่าจังได้เนาะ าจากเพิ่นเิดวางใ ล, ล่ะคูบ า, าจานีิเียงเบากับพ่อเบาใดดอ ก, ดอกแต่ว่ามันหยาดมันบ่เป็นตาฟังในระแนวนึงกับขออนโมทนานอ่ำคณะท่านเจ้าภาพทั้งยมแม่ทัง้งท่านมหาอาตมาได้สาบข้าวแล้วก็เป็นทีน่ายินดีในการทําบุญ ก็คือเซรมินเป็นครั้งแหลกป้อในบ้านเตาไห้ทำบุญบ้านแต่ว่ามาทำในวัดได้บุญหลายท่านหลายฝ่ายกนา็น่าอนุโมทนาหน่ำกะที่ว่าเป็นมีบุญหลายจึงเหตุใดอั่นแต่มากก็อยากแคสอยู่ได้เป็นเหตุเพราะใดบุญบ่หลายอนอกจาก เพิ่นเหตุบุญแปล ก, กแล้วแต่จุดสําคัญง่ายๆเท่าที่อาจารย์มหาเมื่ก่อนเพิ่นบอาก็เพิ่นที่เน้นในเรื่องธรรมะนี่แหลวะว่าอเพราะว่าการให้ท่านเรียว่าการทําบุญเนี่ยมถือว่าอการให้ธรรมะนี่อเป็นการให้ย่างประเสริฐท่านจังบานอกจาก ทำบุญให้ท่านให้ขอปลาอาหารแล้วเป็นการมาีการแจกงมวนเทปพิมพ์หนังสือแจกพิมพ์หนังสือกับยินข่าววันล่งพอ่อประคุบันล่างเป็นเป็นจะภาพใหญ่บรนยากาศนโมทนานำเดอ้อร์ที่นี่มาเวอาถึงว่าการบวชนี่เนะาะการบวชที่เป็นว่านอกจาก บวชเขามาแลกกมุ่งดาเรียนศึกษาเฉพาะ พ, พุทธิบวชแล้วมีอันนึง่งที่เปนบาการตอบแทนบุญคุณพ่อแม่นี่อืมที่ดีที่ประเสริฐที่สุดนั่นอืมเป็นวาเพื่อการให้พ่อแม่มีศรัทธาในทางพระพุทธศาสนาก่ อ, อแม่บ่เคยเขาวัดจำสินภาวนากระหายเพิ่น ได้ฟังได้รักษาอา่รักษาสิ้นได้ฟังเทศได้ น, งนังสมาธิภาวนาจังศีลจังวาเป็นที่นหนยินดีที่ท่านมหาเพลินเพนมีโอกาสอา่ได้ตอบแทนบุนคุณพ่อแม่ในท่างธรรมะตลอดถึงหยาดย่วมบันเต้าหายก็ได้มีโอกาสมารวมทำบุญนำ อ, อีกจังนึง เป็นทีหนาเงี้ยนดีกับโยมแม่เพิ่อนอันนี้ก็หายอยากคือได้เก็บเง้นเก็บท่องมาก อ, อกันเบาเรียมได้บุญนี่เพิ่นก็สิได้ได้ก้อนอยู่แล้วละ่ะไม่ออกไม่ออกปัน่นไม่ออกปันออกป่นไ ม, ไม่ออกปันเนาะข้ามปันเนาะโดยมากสเห็นแต่ปันวันเถอะนี่ปันเนาะว่ามีไม่เอกเนา ะ, ะข้ามปันค้าปัน อนี่ค่าวว่าคนเจ็บเงินทำบุญมาหลายปี ล, ะละ่ะได้ดนนั่นแหละว่าสันเจตนาเป็นสิ่งที่สำคัญคุณว่าการทำบุญกด็ดีหรือว่าการทำโั่ก็ดีเพราะฉะนั้นข้าวเรียงบุญนี่อคนใดได้โดนนั่นแหละได้ร้ายแล้วล่ะวันเถ อ, อะคุณแม่นี่ก็ดีอนี้เว้าถึงรักทำสอนของพวกพระเจ้าแต่ก็อยากเว้าอีกกระ น, นึงที่ว่ายน่มเหตุบุญเนาะ กระปัตรถนา อ, อยากลุ้ยหรือว่าอยากยั่เย็นเป็นสุขตลอดทังว่าการอุทิศตนกุศลให้แก่ผู้ลมเสียหายตายจากไปกับว่าอยากให้พ้นทุกหรือให้มีทุกแล้วไงพ้นจากทุกมีความสุขแล้วก็ให้ได้ซุกจริงๆนไปอันนี้เป็นความตั้งใจแต่ตามรักพระพุทธศาสนาแล้วเพื่นว่าบ่แมนแต่เพียงกระปัติธนา อ่าสิไปได้หรือว่าได้นั่นมันก็ขื่นอยู่อแก่โตโตคล่องเข้าอ่ากันที่เว้าแล้วพันบาอ่าความป่าธนาหรือว่าความยึดมั่นอุปทานนี่นะเป็นเป็นเหตุนะอ่าส่วนกรรมหรือว่าการกระทํำนี่นี่เป็นผลอ่าแม่ที่เข้าอยากไปสวรรค์อ่าแต่ว่าเข้าบพเห็ุทําคุณงามความดีอ่ามันกลับไปเพราะใดอ่าคือการกับเข้าสิเดินทางนี่แหละอ่ สิไปกรุงเทพอืแต่ว่ามันบ่มีคารถมันบ่มีย่านพระหนะาอ่มันมันกลับไปบ่ใดเพราะฉะนั้นความตั้งใจอยากไปมันกับขื่นอยู่กับการกระทํานําอ่าเขาอยากไปดีแต่ว่าไปทำตัวเอ่ามันกลับไปบ่ใดอ่าคือก็คือกันกับพวกอ่าเข่าคุกเข่าตะล่างล่ะบ่มีความปรารถนาดอกว่าเสียอยากเข่าคุกเข่าตะล่างแต่ว่าการกระทํามันมันทำตัว มันก็ไปตามตามเหตุตัว่าตามปัจจัยหรือว่าด้วยอำนาจของกรรมเพราะฉะนั้นการทําบุญมณีเริ่มต้นก็ว่าเจตนาเจตนาพนตังไววเตโดนแล้วคุณแม่ตลอดทึงว่าผู้รลอกท่ายันมหาเติมใรวโอกาสตัไปโอกาสที่ตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ตามรักพระพุทธศาสนาที่เนคือว่า อันประเสริฐวันน่ะท่านที่ประเสริฐให้เงินให้ท่องกรดีโยแต่ว่าการให้ธรรมะจากนําพ่อแมอ่ให้เหลี่ยมใส่ในทา่านพระพุทธศาสนานี่เป็นการตอบแทนอันเลิศอันประเสริฐวันนั้นะาะฉะนั้นก็เป็นที่นาอานโมทนานัก่กะกะหายากยั่วันถัดไปเมนัตมอยาเคตกะจะมีโอกาสในเหตุพวกลักษณะแบบนี้ค ร, รับเอา เอ่าประวัติมันสียบ่มีหมองลงเนาะอืมต่อไปไอ้รองพอบรรลังคนเบานำํำคนสิครับอที่จริงอยากเบอกเล่นไล่ดอกดีใจอยากบอกว้าไล่อยูอ่แต่ว่ายานเสียเวลา่าย่านบ่เป็นตาฟัง่งหย่านมันเสียรถเนี่ยเสียรถชาตดทำมาพี่ที่มันติดแตกกอนเน่ยนะเอาเอาเอาท่านี้เนะาะบ่มีเอวบ้างดบบข อ, อนีญ เ, เปินเปิลเห็น หยาดยมเฮ็ดดีมีเจตนาดีเพื่อนเข้าใจคว่ำเป็นมากของงานละเอียดอยู่แล้วอตาตมาเว่าอ่อเปิลฟังฉะนั้นเปินก็นดีใจเปิลก็เลววววหลายปกติเปิลววได้สำได้สำหนึงนีเมื่อนีถือว่าพิเศษเปิลเถอแตนี่เพื่อประหยัดเวลาลูยต่อไปทัดจากอาตมาไปองค์ที่สามรักษาการเจร้าคณะจังหวัดมุกดาหารอ่าเป็นอุปชาหนําเป็นเจ้าคณะอำเภอน่ำคล้องหลายตําแหน่งองค์นี้ ฉะนั้นทันปะครูสุทธิสังวรคุณวัดเอื่นในภาษาชาวบานะ้านนวัดต่อเขตสุดจังหวัดยะโสธรเข้าไปหมกยุตต่อเขตพอดีนะเลยเลื่องไปประมาณสิบสามกิโลก่อนจะถึงวัดผู้ดานแต่ของหลวงพ่อสมพงศ์ฉะนั้นกะมีหยั่งได้ยินว่าเปิ้ลติกรไปขึ้นนี่คือกันก่นกอนติกัรก็ขอให้ธรรมะเป็นท่านแก่ญาติแก่โยมกอนนิมนต์กับทันพระครูสุทธิสังวรคุณขออนิมนต์ ข อ, ขอกราบพระเทลานุเทละนะครับจเจริญพรญาติยมยังแมนพันให้ผู้ว่าเก่งๆมาบาอกเก่าถือบนขั้นคระคักอาตมากรับาดจันไมหาเสริมกระซัมกันนั่นแหละคนว่าไม่ดีกับพลัลีอยู่ทต้งเตยธรรม า, าพุล่ะกัด กระพรืมใจดีใจที่ได้มาร่วมรับเป็นพยานในการบำเพ็ญทานสร้างสมาธิสร้างศีลให้เกิดขึ้นกับบรรดาผู้ที่เป็นเจ้าภาพโดยเฉพาะครอบครัวของท่านอาจารย์มหาเติมที่เราทราบกัน และทางใกล้ทางไกลที่ได้ข่าวก็พากันปลื้มใจและดีใจพากันมาร่วมในพระเจ้าพระสงฆ์ก็รู้สึกว่ามีความยินดีเป็นอย่างมากที่ท่านสามารถทำได้สามารถชักนำได้สามารถมีปัจจัยได้คนเราหยาดเหงื่อและแรงงานที่เราสะสมหาทรัพย์มาได้นั้น การจัดสละเป็นทานนั้นเป็นสิ่งที่ทำได้ยากเพราะความไม่ตนีในความรู้สึกปกติแล้วนี่คนที่จะทำทานทาบุญนั้นจะต้องสร้างความรู้สึกไว้สองอย่างหนึ่งดีใจสองเสียใจที่ดีใจเพราะคนอื่นสรรเสริญเราว่าเราทำดีกินดีอาหารอร่อย บ่เข้มเกินไปบ่เผ็ดเกินไปบางบ้านมีไก่สองตัโต้มน้าใส่กระถางใหญ่ๆใส่เกลือเข้มๆได้ยังไงลาเนออยกไปให้ผ้าใดเขาก็บอกกินเขาก็บอกทานนี่คือสร้างความดีใจให้เกิดขึ้นแล้วก็สร้างความเสียใจให้เกิดขึ้นกับคนที่ว่างานเราบกพร่อง อาหารกบว่าสะอาดที่กับว่าสะอาดทอง้อมห้องน้ำกับว่าถูสาระกับมีแต่หยักใหญ่จกักไม่ติตั้งใจเฮ็ดบุญอย่างไรคือบราได้เตรียมตัวไว้ถ้าหากว่าเราตั้งใจไว้ทางรับและก็สู้อย่างนี้เราก็ไม่เสียใจหรือเรายอมรับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่แปดที่ผ่านมาหนึ่ง เจ้าคณะภาคท่านประเทศที่วัดภูดัน